ทอติปัิวัตได้ผู้มันบางกับไมู่้ว่าท่นผู้บรรนากะเอาไว้หันเ้อนฝ่าพระพุทธเจ้าองค์ละคนองค์นันตามบุญตามกรรมยาหัวบรรทอนบุญตายไปแล้วเป็นยังยยาหัวมันทอาสันคันคว่มเห็นน้องเข้าไปั้งสันมันกับว่าพอสิเป็นเครื่องอุ้นใจเขาที่ะกอมาพ่อมันเสด็สรงเฮ็ดอยู่นี่ความเห็นั้งสันเป็นที่เพิงของเข้าได้หรือ่มันพันบกเพนที่เพิงมื่อไรที่กอมาเนี่อกะจาเป็นต้องพ่อได้พญาญามเฮ็ดท่น ช่วงสีวิตมันนั่นไม่น่อยเดียวนึงรับตายูยกัะแกมืนตายอยกัะแกพิภูพิบตายโยกับแกควมตายกับล่วงขม่าอยู่ว่าบยศบยอนบพรนาผันควบป่วยควมเน่าในสกุลนางกายของข้าเนี่ยผมมีวันทีวันเสาร์ความมันควบเทียงต่อสายายเทียงกืนหินไว่ลาวของข้าวห้องเทศควมแกควมเก็บควมตายก็ไม่ได้ฟังเทศดและขาได้ใกล้ตายก็ได้ใกล้ตายก็ไม่เศร้าใกล้ตายก็มั่งมเนี่ย ไกลเขากล้เขาทุกที่ทุกที่ทุกที่ททททวันจะฟังเทศน์นะเฮ้านี่ยข้มป่วยความเน่าขว้วามมั่นบ้เที่ยงเนี่ยสกลรกายของเฮาเนี่ยไม่ได้ฟังไพได้เนี่ย่อสั่เป็นจริงรออยังสั่่ะมันมีวามนคือเฮากมแกข้องเขาเพี้ยนองเฮ้าท่นอธิเฮาเคยเขาใจเพมาแล้วเคยท่องเที่ยวในวัดตาสงสารมาแน่มาน่นแล้วเฮาจะแก้ออกนี้เฮาจะประยากมากเกิดมะแกมะแกมาตาย ข้าที่เฮียนไม่าเคต็ลาบย่างเต็มที่ น, นี่บอกขุนชันอารมณ์ขาเขามาเพิงหอมเพิงเย็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันยังไม่เย็นข้าวจะไปเพิงใช้ไปเพิงไม่ทราผี บ, บอกบอกขุนชันผีจะไม่เป็นตจรยังไงบุ๊กขาสอนมันโป้มันเสวางในผาเสวังขุนโคตว่องงุ่นพระโคดรวงพระพุทธเจ้านี่ได้ไม่ต่สอนทางดีเท่านั้น เขามีอิสระสีสางควมฉลาดใช้เข้าอยู่เนี่ยควบงงเข้าสีสางใช้พอแห้งเลยบ้านนี้เข้าสีสางควมสลาดใช้เขา้าสลัดออกจ า, ากวัฏทศสารสลัดออกจากโรดจากโกรดจากหลงเข้าโรดเข้าโกรดเข้าล ห, า ล, งหาลงมานี่มันหลายศาสหลายภพแล้วจังใดว่าท่องเที่ยวเกิดแก่แก่ตายในวัฏทศสารเนี่ยบานนี้เข้าสีเฮียนวิชาเค็ดหลาบเค็ดหลาบโรดโกรดหลง เคล็ดลาบวิธีว่าลงเกิดล่งแก่ลงเก็บลงตายยิ่งไม่ซ่ายิ่งดีต่อพันธะผานม่ที่ยงเดียวไม่ค้นทางเดียวแต่เข่งนิ่งไปพูนบ่หกยักเถื่อหนทางเลยนะค้นทางในวันตฏะสงสารเนี่ยหกคนทางไปโซพันธะพาเนเนี่ยแปลนเตือนหนทางไปมรหกก็บหกค้นทางไปสัตยจิรชานกับหก ปเปตตาวิสายสุรกายก็หกมันทาา่าข้าวโซภนิภาพานวหกสิบวิภนิพาัดขวดก็ตามมีท่านาวัดสีวัดภาวนาวัดแผ่นเออเติร์ตจืมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นวนาวนาคิดวนาใจแต่ละ่านแต่ละคนคือสัทธาสัทธาเขาตั้งมันแน่วันกติทําประโยชน์ใดข้อสาเร็จได้สัทธาเสือในสิงที่ขวนเสือเด้สิ่งที่พระคนเสือขา้าวกระเบื้อเสือเนี่ยขาวกเบื้อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ข้าจะเป็นเสือไผ ข้าวมันขนสั่นสูงเน อ, อืมเสื่ออันอื่นกับผสมธาตุข้าว่าไงไหนเป็นคนสั่นสูงเนี่ยยินดีแน่อันอื่นกับผสมธานะเ้าวธานะของข้าวว่ามันจะไปยินดีแน่อันอื่นยินดีแนพ่พระพูทพระธรรมพระสงค์อันช่องยกหัวใจข้าเนี่ยจิตใจของข้าวมัสมชาน ะ, ะเส่ออันอื่นมาเป็นอารมณ์ก็เอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาควอมดีมาเป็นอารมณ์ที่อืม มันทาหนะที่เอาค้อมูวมาเป็นอารมณ์หึือว่าเป็นเจ้าหองใจพญายามคัดออกก็นเถอืมศีลก็ตัดศีลลงพญายามละสัวทําดีสมาธิก็ตั้งมันลงในการพญายามละสัวทําดีปัญญาก ร, รอบรููในการละสัวทําดีมันก็คว้มเดียวกันอะไรอ่ะ ง, งั้นแต่แลนศาลตร์นะผมมีเวลาหน่อยเดียว ส่วนวหน้าที่เดียวหายใจออกแต่วอกเขา่ากับอะไรก็เรียกว่าตายหายใจเข่าแลว้วบกออกก็เรียกว่าตายเวลาไม่หน่อยเวลาเท่านั้นทั้งทีตายตอนนี้ทังท้งสีตายทั้งสี่สิบล้มปานนั่งกันบัตรกาว้์บัตรตั้งกลัแกมไม่ตั้งไว้ไวกับว่าถือทีตายเมื่อและสาิบเทืยรกระางขอให้ตายในพระพุทธธรรมประสงค์มีอารมณ์นึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทะมือเอาทั้ง นึกถึง่านถึงเสียงถึงภาวานาถึงความดีของตนตนสร้รสางความดีไ้มันก็จังสีมีนแนวอะลึกถึงเนี่้ามาสร้างความดีไว้เขาก็ทีเอายังมาอะรลึกถึงไหบอาสังเขานลึกถึงความดีไงมันมีที่เาก็มีอิสระให้าาธาตุนะเสียภาวานาก็เป็นนิ่านน้องเพินินซะการาทุพทานปฏิบัติภาวานากับน้นนองเพินินซะนี่นี่านข่าว ข่าวธาตข่าวศีลข่าวภาวนาข่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข่าวปฏิบัติศีลธรรมกับข่าวพุทธะข่าวข้องตัวกับข้าวข้องโตข้อไหข้าวไปมรหกไปทางขี้ผ้ายาวกับข้าวข้องโตเส็แล้วข้าวไปทางมะผลนนผ้ากับข้าวข้องพุทท่านเนี้ยบองสันวานิท่านของเฮาเนี่ยสาคัญเฮาทาดีกับเป็นนิท่านอันดีเฮาทำโั่กับเป็นนิท่านอันโซ่พอแม่เฮากลับไปเมือไห ปูา hey. well, ตาทวดผู้ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดของเราไปเป็นรับร um ับลํารับรํารับ <ười> ้องไผ่ห้องมันเขากรบเพิงเขาที่คเนี่ยเพิ่นกรบเพิงเพิ่นเพิ่นกไปองเพิ่นแล้วองไป่มันในโลกอันนี้มมน้องไผมาอยู่สัวข้าวมาอยู่เพื่อสารมาได้ไม่นี้สงสารมันเสียมายู่สางเว้นส่างไผ่กันในโลกอันนี้มาอยู่เพื่อปศเว้นปดไผ่เนียปศเว้ปศไผเอาหมือนละครสเขาสู้พันธา รถขี่โรคขี่โกดขี่ร้องออกเมื่อไรห้องปฏิเสธอะไรที่สกปรกในร่างกายห้องห้องปฏิเสธสกปรกอะไระอาบนา้าซําละอยู่เถิงปนานกันยังไหลออกมาทางปากกวาว่าดําล่ไหลออกมาทางทว่านัก ท, ทว่าน า, าวกาว่า มุตระปัสสาวะไหลออกมาทั้งคนุคนคุณผมกับว่าเหง้าวาา่าไข้ขันพระบารางว่สวยบัสวยแห้งสิเข้ากันว่าไรมูฮ่องจิตใจให้กันะขันถ้าไม่มท่านไม่สิ้นี้ะวนาไ ม, ม่กุศลผลบุญยันหะันมูฮ่องข้ากันว่าไรเห็นกันกาด ก, กันแง่ปานมาเลยเอง๊เองๆๆตัวได้เขาย่าเอาอันนี้ก็เพราะมูห้องไม่สินไม่ทำ จะมาเลี้ยบังนากันทัวเรื่องนากัรเล้ยบางนากครกันว่าเป็นหอกเป็นงาอก็เพาะมูเฮ้ามีสีม่ท่าเหนี้กระทามูมีสีม่ท่ามาเล้วบางนากันเป็นหอกเป็นงาอ่ะมึงดีว่ากระโปงมันตัวแม่นหรอหนี่งพระพุทธเจ้าพกข้องเฮ้าให้ละบาปบาเพ็ญบุญให้มีเมตตากรุณาเขานะกับพุ้นของพระพุทธเจ้ามันกสิมีประมานมากัน พระธิสัสนัปฏิเสธได้ผู้ใดแบดเบียนสัตว์อื่นผู้ใดฆ่าสัตว์อื่นหรือแบดเบียนสัตว์อื่นผู้นั้นไม่ใช่สมณะพนระะพุทธเจ้าเนี่ไหมความพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ย่ยมเข้ากับพระชายามละคือากันมีเสียงหา่ามอะไรบูนเะีย ทีหาไม่มาในญาต้ขอหาขอหาม่ อ, ม อ, มองจักอยู่ห้องเวน้นเอาเวน้นเอากะ็ะอยู่บม่ในหาได้ว่าน้ากลนพระดอกพรานาถีพระตาเวนี่ที่ขาพระท่าสมาร่ยามีากสอนความก็เลยกับเรากัออกไปนอกแล้วกับคาซัดตัดเวน้นกับวัตถุมาห้าสอนความพูดกะไ้อยู่ห้องละเว้นเอาโหลดก็ไรอยู่เหลือใช้ในวาพระท่านประสงค์ ข้าวจักข้าวเวนข้าก็เวนเนาะชีวาปั่นได้กระร้างกันข้าวเวนมันก็เ่าเป็นสีเนาะเว้ละมันี่แปลเว้นแล้วนี่เว้ลมันีแปลวเว้นแล้วเวนอันนี้เว้นไปแล้วเนอว่างสั่งจะมาเว้ลมันีเสียขาไปทางสมาธิาเ่มันเป็นเสียข้าบดตหนึ่งข้ามาว่าก็ได้กันเ้าเวนคือเขานะข้าจับจชป่าแต่กินเขาก่อนกินเขาก่อนขาวกระเบิดว่าเนี่ยขาว่ากระบอกไปยางเตีมอยู่กินโหลดกินโหลดกินเขาค่อนกินเขาก้อนชีวะสั่งเนาะ งำปาเขาก็กินเขาข้าวกินเขาข้าวก็จะว่ากันหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าได้ว่ า, ว า, ววาบบรักษาศีลก่อนรักษาศีลก่อนเ น, นี่ยเขารักษาเอาเหล่วก็แลว้วกันจ้านอนรับขาาา้าพำนายังไม่ขอวัดจังนอนเป็นเพื่อได้นอนเป็น น, นอนรับขาาา้าพำนาเพื่อได้ไม่หัวใจเป็ น, น, นกุซ้อนดบุญก็แลนึกถึงท่านถึงศีลถึ ง, าา ง, งข้าวำนาเน่ยมื่อนึงเมื่อนึงเขาเลยนึกถึงความดียักเ์ืถอ เขาลยนึกถ okay. uh ึงความสัวจักเพียห้องในนึกไปทางความดีจักเทือกวดบังคิดบังไกห้องละเมื่อไรนึกถึงจะเบียดเบียนพวกนั่นเพนนังสันพวกนี้เป็นนักสีกูที่เบียดเบียนเป็นนักสีกูที่เฮ็ดเป็นนักสันพวกนั่นก็วายส้นาี่กูพู้นี้ก็จ่าใหยกูไปที่สี่กูเคี้ยวอียงลุงสันมันก็มาถือก่อนเนี่าก็พญาง่าปดมันัวมันเครียดมันก็เขี้ยวเอียงเนี่ตะกี้นี่เขาในยีนคาสอนพระพุทธเจ้าเขาพญ่าง่าปดมันเลยอะจักรเพียร์่เขาไม่ได ว่ายังให้โตจักเสียโตนึกเคียร์เลเขายะเขาเรียว่หาหงษมกระดักนังเจ้าสัตว์เกวี่เขาอยู่ส้ายว่าโตไปผิดทุกข์กัพ่อตัวยื่นลอยปีกจิตตายยืนพันปีกจิตตายตายกันคนละทื่ละแต่กะกอนเมื่อท่านตายขันผู้ยู่ลอยปีพันปีนะไม่ได้สร้างกุศลพ้นบุญ กระซูผู้เขาเฝ้าทำ้ำคว่มดีแล้วเขาตายเมว่อไรพระพังฆิเจ้าอนว่าอันนั่นจินอันนี้สงเกลาของเจ้าของมัทาสากกรแล้วก็แค่ต่ออีกพ ร, ระนวลพรองเก่าไฝ่ใหม่หัวมูเจ้าอยู่มูจเจ้าหีบดับเด้อพระสังฆปริเจ้าหีบดีบท้ำคว่มดีเด้อพราสังเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังเนดะ้อพระพังฆิเจ้าทาคำสอนของเฮา เป็นเป็นศาสนาแท่นท่านทั้งหลายไปหาม่รู้ขันหาความสุขนอกจากพระพุทธศาสนาคันมันเห็นเหนานอกจากคําสอนพระพุทธเจ้าขันมันเห็นความสุขมาหาไม่รู้มันมีอะไรผู้ข่าว่ามันหาความสุขในคําสอนพระพุทธเจ้ามันจะไม่บ่กคาสอนพระพุทธเจ้าก็สอนสกายไสใจเขาเนี่ยสอนตรงนี้ไม่ได้สอนบดอื่นไม่ได้สอนไสเด็ดฝาอากาศไยนอง หาคำสอนพระพุทธเจ้าค่หาอย่าให้คิดในใจของเฮาเลยนะคิตใจของเฮาเลยทเป็นผู้สืบคําสอนของพระพุทธเจ้าไปก็กายก็ว่าจของเฮาเลยใช่ที่น้ำไผ่ร่มไายหน่องเฉพาปฏิบัติมันกับปฏิบัติว่าไรล่ะก็ดินน้ำไผ่ร่มภายในของเฮาที่มีคิตใจบังคับอยู่านี่ตามสถิติคำลังอย่างนี้พาก่อนดินก่อนน้าก่อนไฟก่อนร่มอันนี้ล่ะสร้างทาความดีไว้ครับที่เป็นที่เพื่องของตัวตลอดถึงพันธิพานเพื่อที่ดับเพลิน โ่เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเก็บเพื่อนตายอีกจิตว่ามารสางตาสางหูสางจมูกสางลิ้นสางกายสางใจอีกเขาสู้พันยพาส่ว ม, มารสางสางแต่ธรรมะล้วนๆตื่นขึ้นมากแลนน้นำตาตื่นขึ้นมากแลนน้นำหูหมองเห็นจบสิ้นเถื่อแแล้นน้ำความน้ำ ค, ม, ำคมคิดเท่ากับจบสิ้นเถื่อพันยพาสอิ่มละ่ะบมมีนึ่งมีคิดในพัพาน เขาซูพันาเพ่อนเขาสูพภพาดว่ามีค้อมนึกคิดเหรอเพื่อนเพื่อนตายว่เป็นขขาความนึกความคิดเป็นท้าร่วนๆผู้เพ่ตพาานตายไปแล้วพระลหันตายไปแล้วพระท่านพระท่านตายนึกคิดอย่ะถาบว่ามีโทษนึกคิดกับนึกคิดว่าไม่โทษเพราไม่ผู้เพราะมีผู้ไปยึดถือได้ระม่ผู้ไปยึดถือความนึกคิดนึกคิดจะซื้อ คือลบมาพัดเนี่ยพัดาก็ไปพัดเรก็ไปพัดก็ไปอารมณ์มงเพินกับปานลบมาพัดไพเนาะพัดเรก็ไปพัดเราก็ไปคนประปรุงไปทั้งลทั้งโงกดทั้งหลงอารมณ์งเพินเป่นขันเท่าอีบากลวนๆเทานี่ยไม่ลบไม่โกดม่หลง น, น, นั่งอยู่สถานที่ เ, เท่าวายเสียเถียวออนเพราะเห็ไหุไดเพราะว่ากิเลส มันบอกมันสอนเท่าไพแห้งสาราหารข้ออาหรหรเาพยายามสีแกมันออกเลยเนี้พยายามสป่ามันแห้งหรอพยายามที่ทํารายมันออกสือเพาะหายไมมาเเจ้าขอใจเท่าโดยธานวัดศีลวัดพระหน้าวัดวัดจิตวัดใจวัดกิเออกวัดควมหลงออก ข้อทีภาวนาะร่มหายใจเขาออกเขาก็ไม่ยอมมได้ยมืมผู้ใดข้อที่ภาวนาพูทท้ทุกข์เขาไม่ได้ยืมผู้ใดข้อาี่พิจารณาความตายเขาไม่ได้ยมืยมผู้ใดแต่มี่ถ้ากอดต่ายกอดเกิดอยู่ในนี้นะแต่ไได้ยืมผู้ใดเราไม่ทุนอยู่ไม่ทุนต่อสูงอยู่บพราะเป็นบ่าใบเสียจริตผิดมนุษย์ขันเป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์โมมีทุนอันนั้นอันนี้มีทุนเต็มอยู่แล้วโมเป็นบ้าใบเสียจริตพิษมนุษย์อย่งมีทุ่นสูงอยู่ ตากับไม่คือกันหูกับไม่คือกันจมูกเล่นกายใจก็ไ ม, ม่คือกันเพราเป็นควันว่าร์ใบเชื้อชนิดผิดมนุษย์เนี่ยไม่ทุ่ดสู่เลยพ่อจะเห็นโทษในโลกพ่อจะมาเห็นโทษในโกรธพ่อจะมาเห็นโทษในโกรธพ่อจะมาหายเห็นโทษในคว่มเป็นกังวลในวันจ้าช่องศาลพ่อจะปิดกังวลในท่าภายในผ่านเป็นกังวลในท่าที่ออกหมด ติดคุกติดคุกเกิดทุกแก่คุกแก็บคุกตายผู้ยุทเทวโลกผู้ติดคุกเทวโลกผู้ยุทธพมรโลกต็ดคุกพมรโลกมัดอายุสังขารกับโลกมาเดชสันเขาจึงเหลื่อมสายในพันิุพานวันเดียวสีเพื่อนน้ำมนุษย์สมบัติ่เพื่อนนําสวรรค์สมบัติ่เพื่อนนําพันธุ์พานสมบัติอยู่พ่อใหญปฏิบัติสินรรมันคือมันอยู่เพื่อสิตลอง่านสันกินพ่อใหญอยู่มันอยู่เพื่อจะกิน นอนพระได้ยูมันยูพอนอนนั่งพระได้ยูมันยูเพื่อเพื่อทีนั่งกินเพระได้ยูมันได้ยูเพื่อทีกินใส่เพราะได้ยู่ันได้ยูเพื่อีใส่ยู่ในวันตาท้องสารเพื่อรอดตำเนีงสิออกจากโคกูดูลงซั่ือเมื่อได้สิมาสางโรกสางกูดสางล้เพิ่มไปอีกเราแล้วน้องฮันนี่นอนยังไงล้วเนาะงับกำงับย้วยด้วยเหตุข้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันส่งพระคุณคาหาประมาณ์มาได้พูกคากรรมอะไยอะไรเ น, นี่ยแต่เศร้าเอาละบาทเนี่ยมูอเห่าทั้งหลายท้อทั้งใจโลกธาตุด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเ่ามีประมาณ์ไม่ย่ทุกการบอกขืนยุคพระภู้หู่บอกขืนยุคพระภูบอกหู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หาประมาณ์มาไม่ได้จนลงมาเป็นพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณก็ตามก็หาบันว่างมาไม่ได้เต็มฟ้าแผ่นดินทางนอกโลกใ น, ในโลก เมื่อไปทั้งเสกฝูงข่าทั้งหลายผู้ทองเที่ยวในวันตาทองศาลจงผสบเจ้ความสุขคว่ำเจริญในศาสนาของพระองค์เจ้ายิ่งยิงขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโยทุกงมลาภูตถวนหนาวว่ามีมะมาณนี่ยก็ขาเถอะนะเอาไปเอออู้ทมมกโทษทั่งม่อั่งก้โทษทั ม, ม่อทั่งก้อเห็นเสกเอ้านอกแบบนี้เอาน้อนกแบบนี้นกแบบนี้เอ้นานอทั้งนี้นกทั้งนี้นะมั้ยเ อ, อ้มีสองทางเลย เออไปค่าวเุจจาะกมุกนี่มงักเตนงอดาวน่้าเนี่หน้าานี่นี่ียว่เงคันต้มคนน้ว่าแคน่าโีวันเอะยทุกคนมาเจ้กเรศเอเมยไน่ดอก็ได้ขัด ขัดจิตท้องห้องเา็นโลกกุศลละก็เป็นแน่หนาขัดจิตท้องห้องเป็นโลกผีก็เป็นเมื่อึ้นนึกขับจิตท้องเรสมเห็อยู่ึืนนึกขัดจิตหน้าเขาเลยแต่ถ้าข่าววนหน้าอันนเาวังผลทุกนายสงามันเป็นโลกกุศลละนี่องส่ ก็นั่นแหละ่โตก่เนี่ยตัวเสียนหานี่เน่ยเสียนหาเดวกกับ่นี่เสีนหาบ่ก็ได้แค่ตัวันไใ่บ่ช่งั้งนี่ยเสีนหาเดับบ่เสียดายอยากเนลขเรินหามันคือไหนบ่ห้เขาขาเอาก็ได้ยกแค่เนี่ยบ่ติดเส้นหนาไปก็ติดเส้นใหญ่เลยเข็าบ่เสียดายอยากเรีนเลขเรีนหาเขาบ่เสียดายอยากลงสมุดเ้าไปยังมี เขาเสไดยอยากจะกดเว้นผู้ใดถขาเสกด้อยากซื้อศาสตราอนั่คือเขาขบัณไปบหัยคแ่างเขาเปาเอาเองกระไจั้งกเสีาเสด้ยัง่นีแล้วขาโมเสได้าเสได้ยกลวงละเมิดเด้อเขาขอบันเขาอแต่บัณฑิตซักซักข้อแต่บัณแปลว่าโคต้า โตตาปัญญาเนี่โตตาปณะเนี่ยปะแปลว่าจดโตตาปัญญาปัญญาเห็นสองสองเห็นคาข้าวาข้ามประสงคามข้าวของจูความ้าวเนี่ยเมื่อบริษั่รวงละเม็ดเึ้นหาบทใหญ่ยักคือาสตาาเอือมันก็เป็นข้างของจูความ้าวอะ่นาวปัญญาเนาะมัคคิมีโยกย้ายรามบันยา to to ่างงมเนียอ่จัห กิเลางยาเมันก็ม่ันก็่่ยงอย่างเสยาย่างนั้มากเลน่คนโ่ยาจะยา่างละเอียดไปเเกิดเป็นสัตว์ที่เช้าเราก็พิแล้วเรเป็นเศอสุกายนังกัพิเนี่ยจะเป็นพัวในโกนัก็พิเลยว่าอยาไรบาร์สดารบัน่สามารถจะเป็นสาระโยลกมรรบาร์พรวดาบันว่าสามารถจะเป็นเศษโดสายอสุรกาย่สามารถจะเป็นสัตว์ที่อสานว่าสามารถในวลกมรห เม่สามาจะเกิดตะโกนจำสห่งเนิร์สตัวนีพวกมันขดิดเลม่อับตบที่ใช้น้า่บาดได้ที่หน้าทำให้โมซารากรเ่แห่งนิร์สต์งานมันมันก็บวกอดเ่องพกี้ลมันายทุกกายิดท้ายไวกว่ามาเหตุปู่ฉนเชือว่รเศใหะ่อยอย่างเืองเปลี่ดติเลยอ่ะเียบายตะคุกนืเอม้อนคนรัก่าร้ายมันดติดอย่ันเสียอะไรที่นยอย่องพ้องกฟั แก่คงยานัย่างนี้บ่รถเสียไยักขุคอต่อแขนเสีย้ยักลดน้วมนสำหรลกียรลใจอะถ้าตัวรางจะเสยไยกลดน้มันเน่รถเสด้ยเอาุกแขคอไ้ันใจเ่นออาดวะเขาหนอือตย นี่ครานหน่าคืออบทานปหนึ่งคราเจะานใจคอข้างนะคะทานใจที่ใหญ่หายกระชางเขา่อหายแล้เาบอกอยากกลับไปแล้ววมันนะอยากกลับไปอยานอะไรบัวบัววสะบัวโคตรไม่บวโตตรเขาไมยหันอยู่ว่าวสะบัวสาไมัหันเขาบอกเบาลงไปแล้ว เอาไปที่เดรสักเดี่ยี่ายุมี้พักวนรักเดินทางพัไม่ต้เข้าไปโูกม่ต้อาไปพกแพักานไมออกมาพึ่งานเยอั่นจะพักรั่นัไม่จะเข้าไปหนนั่พักกับตกวนมันก็บอะไรละ ขี S S nam, ja ้ควย่มันกินน mm ้ากินยาเอมันนอน้มันก็ะวนไม่หลบมันนอน้ะไม่ับกกวนกวนู้กอะไรละมันไปสักินไปินเขากินน้ามันก็ะกวนไมหลับเนี่ยกันมันกิเยไปักอหนถ้าตกวนมันงเยอมากวะเนี่ยมันดูยเด็กๆแตมันดู่หรือเปล่แเรตอมันยูได้มันสีดูกระเพมันยูมันกรไว้แล้วยุก็ะเพาะมันสีแค่เพียงตัวอะไรละม่นควยใชกัน มักฟู้อยกกลักมันมัินเรื่องยกแต่ยามันระบอกเดี๋ยวชิบ่าหายัดจินเสียงตุลงจังกมันจะจินยังทางอกฮะนี่นไม้วนูเป่ได้ยยไดได้ยยได้ยไดอเปียนทั้งดีเด้น้อเปลี่ยนทั้งัวเด้ได้ยุ้เปียนอะไร คือเขากินเขาเนี่เว้ยเอาเขาเป็นรักนี่มาขวาเอาสติเป็นรักนะเขากปกิดเผลอเนี้็กินเผลอเนี้ยกินเผลอนั่นเนี้ยมันจะมีอะไรสวเอย่างเได้ยมันยืาช่อด้วยกันมันก็ ไม่ตเป็นานานแก่ตัวใหญ่ตัวห่นี่นี่นงานข้างด้านข้้านห้างกระดกข้างกระกที่ลเจอดีจกรแลก็เป็นไวนขด้านทานนั้งางเ้น้ะเจากรแลก็เป็นข้างด้านดินแีบนี่ธาดินก็ยันไี้ามอ่างก็ยังไม่มีสา่ง่ีสาดนีข้ด้านดิน เจ้าไปยึสายึดทันอกของนึกใจดีนี่ยึดทางนอกของนึกจะนั่ง้าแต่องหนเจ้าอิดาีนี่ันเจ้าเจ้ายานยิดด้สั่เจ้าไปแค่ืน้ยบ่ออะไรเแล้ยมาขันว่าเจ้าเป็นคนสลาดเจ้าแค่ียมันยันมัใช้ต่อทีิยึดนเงี้ยเองจะได้ทั้เป็นบ้าบ่ออะไรเง้มาามันนึกเจ้าวนนึว่าเจ้าพยยามโน่อ่หอันอารงณนมันดีบ่อเจ้าีนึกมาหลอกเจ้าของเี้ยงนะั แั่จว่าจ่อสลากเลยเหรอน้อแน่วห่อนแนเวยากมานะโตให้ยังไงเนื้อไวยางแต่ยังไม่เห็นเนื้อทำเป็นเนื้อมาเนี้ถึงส่วนผสมผสมผสมมางอไอส่วนใ่าเมันตายเลือดูไปด้วทำเพลียวทมาเพลียมากเนื้อเพาียด้วยโมาฟูไป้ายเกี่ยวงออส่นใหญ่เป็นงอยกว่าห้ยิดกระตัเป็นงอไอ่าห้ยิดกระตักโมงาโมงาเราต้อมงาเต้าตะกุนี่ย็นหายิตกระตักแกว่า นาจะต้องว่าตะวันีนางคัดจังหวเป็นกษรหว่าพหนอ้ครมาอบมฮะาบายเลอบยอุบายมันยากหายอากีแนึงอีกท่านเอ้าขันยานตายพวกที่ตายไปม่นไม่ไปยานตายบกาดอกแตนัตายเน่ถ้ากรรมมาถึงแล้วก็ตายสักที่ใจถึงอะไสิบเบิ้งมาสั่มสียตายยังไงาสั่งอสิบเบองมั้องลูกขอออกก็สั่อันนี้ก็แผลนึง ายสต่อเขาลเขาออกก็ตายแคต้ว่าั่ายพ่าหน้านึ่ว่าสั่งมีกระเบดนึงมีหลายแหบยขันดินน้ไฟล่องนี้ไฟใส่ก็ะานี้ตัวดินกร่รถกะใสระ่าันว่าเป็นสัตว์นพวก้จะสังาก่อขุ้เลยรพี่หน้าําจริงอว่าสัมันเป็นชกก็ไยากจริงถ้าไม่เป็นชกก็จะตัวยางพี่ว่าั่ ญาติทีอันญาติพ่อคด่ของแต่พคิดแต่ของคิดมากแล้วกุกฉันญีาะนเกิดมากเห็นแวอพกหัวกันแล้วนามันแวิ้ิกันร้อนย้ดู่พีได้นเเขาเน้ีหา นี่แกักู่หันเนี่ยมากเงี้ยเน่ีายเนี่ยไม่ผีหนุ่มจิแบตเตอรี่เจงเี้นะครับผมอ้ยนรโต้โอ้ยว้าวฟังทางห้าตาเขาแต่อุจจะปลุกระหวางที่เจ้าเฝ้าจะปลกหัเราปั้นือนมามาคอยแล้วนี่มูโตมาก่อนเอาเมื่อไงเมื่ออื่นไปจังสีเมื่อเมื่อเนาะ เอาเอาสมัยเมื่อวันนี้แหะเออมันไ่ได้ไ่ได้อันตรายเ่ยไม่ได้ใค้จะเอาไปท่านให้พระ้วกจะห้มัดชนะสื่อบ่ไปชีบวันกันสื่อชีวันเป็นบ้าเปล่าเชสื่อกันไปใช้สื่อกับหรอกเออไ่ดีใจเขาฮะ มาเอาไปห้ยมูตัวลืมว่าสันจะจวบวอลายคว่ำมู้โตลืมพืชกรลืมว่าสันนอกกระจิอสันวาเงี้ยงันเขาก็ทานหหตัวไปวาเงียงสันเขาเจา็ท่านหาห่อมูเขเจามู้เจาพี่น้องลืมพืชกรลืมว่าสันนอกกะจิวลายคว่ำโตไปวาเงี้ยงันเขาก็จะอายด้พืนกลืมมูจะพี่น้องกรลืมเหมือนว่าสันนอกสนงเเขียนตัวไม้เขียนหนังสือทีใบสันนอก เส้นสีย้อนข้อนตรงนี้ น, นี่เขิยนซื้อสติต๊กไปนี่สิละมืจ้าก็ซื้อนั่นนงหน่อยๆ น, น, นะเรากเก้งกนนะ่ออะอืมอาดเหรอเอามือไปสรงให้ด้นะจะขอพระคุณมากเนะย่าสุวาทั้งสันทานสีเจ้าให้เพิ่นบอกหรือทังสันสุนี่จ้าสุว่าม้แเขากับว่าไฮทอนแน้ว เจ้าพี่น้องกระลืมเพื่อนกระลืมว่าสนะกระล้วดอกเจ้าพี่น้องกระลืมเพื่อนกระลืมวาสนนดอกจะสว้ต่อไปอีกมู้เจ้าพี่น้องมาทำบุญมือนังวาสนาดอกเจ้าพี่น้องกระลืมเพื่อนกระลืมบัตีมาลรวบ่ไดเอาหายวาสนาเมื่อจะบอกกันแนวอื่นแผลไปงามนะที่เอาทั้งผ่านเจ้าข้าเจ้ากรบอกประชานแล้วสอ ไปถ้าบุญซิบบอนก็จสื่อซิบอันหนึ่งซิบหายตายแล้วซึ่งไหมันายมากว่าเป็นถ้ำเมื่อไดนาเต็มเป็นฟ้าเป็นดินก็ดีว่าสันพแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนซึ่งไหม่นายมาเป็นถ้ำน่นเขาเม็ดนึ่งก็ดีว่าสันแ่ซึ่งใดไรมากว่าเป็นถ้ำนะ่ะเมื่อใดเศรษฐีคว้ า, วาสันูได้อันน้อยๆว่วา่าสันนายมากโดยแค่โดยอก็ดี แม่มาโดยอบายก็นเลยแมบบ่ผู้ใจขอปาดเพชรสล่าลังนกันระวังระวังนเลเขาเจ้ามาเข้ามาจะรางกันข้าเจ้ามาถามกันกันกบพระบอสเนี่ยขนเ็ชรียงโป่งเปีย ง, ง, ง, ง, งสัน ก, กันยังวอสเนี่ยสันกันว่า เ, เรื่องเพชรสลาคือจะตวขอเงินข้าเจ้า อ, อันบอสเนี่ยข้ามาจะราง ในเวลาซาลาลังเนี่ยเวลาเห็ดยุ่น่าเดี๋ยวนี้มันแล้วแล้วมันโมพยงแล้วนี่ยเน็ตใช้ตมันคือเพลียงโมนิดไกคนทางฮางไม่มีคนเงินล้านเข้ามาวัดยังสีว่าจยพาขี่ทุกตัวนี้หาอุบายขออยงกูน่อย่านเพื่อนว่ากับนานักข่าว่าวาแรือว่าตัวขอดใจเอารวบคนทางฮางไม่มีมาก พระเจ้ามากินมาท่านน้ำลายเลยน่านน่านมีกฎหมายมากเลยทำไมไปไหนนานสบายดีหรือสั่งเสียเขาบอกเชิญไปต่อยเสียเลยข้ อ, อจากอาเขาเจ้าว้ยกูว่าจะเอาใจออกค น, น, น, น, น, นอ่ะคนๆนั่งนั่งมากวอกับกูอยู่แล้วมาติดต่อขูอยู่อย่างเพิร์ลมาอย่างตาเจ้าว่านี่ใช้ห่อปเปน็นสั่งเลยซื้อชนิดกันไปไหนก็ส้างแต่คุณยอมรู้นี่นี่นมีกฎดหมายพ่อสองอันเล่ยย ohan ย้อนน้พนมาคบกันยู่นี่มาคบกันยู่นี่ถึงถ า, า, าัพันหารอยเยือพุละจดหมายขเข้า้าบ่มีอะมีย้อนพนอันหนึง่งท่า น, นันหละเข้าเอารถพนไปส่งคนป่วยรถียมาใส่นอกประเด็นวะ่นพิษแล้วครูบานะท่านเาั้นพปวนน่วยแม่นเ ย, ย่านนีโยมป่วยโยมมาป่วยย่ในนี่เอารถพนไปพิษแล้วครู่าตัน่น้เลยเขียนจดหมายไปบอกพน อรถอยู่ที่นั่นจะใช้คันไหนก็ใช่ได้อยู่สันเพ่นมาเพื่กะบอกไปตามเรื่องมัีจดไมอันเดียร์ธนาห่อยจนี่เะกี้ว่ามีคนอื่นๆเท่กันหายหน้าไปนานแล้วมาเห็นมาว่าอะไว่าเกลือห่อมันจเขียนจวไห้ไปข้าเจ้ายกให่ที่ข้าเจ้าเขียนมาข้าเขาเขียนตอบเจ้าพระหัตถนั่นมาถอัสันอังศิไปอยู่งไหนอังสันอังยันนั่นหายหน้าไปนั่นอังศิเขาบอกข้าเจ้าเขียนมาก็เขียนจะฟะตอบมันบเรื่อง ก ร, ร, ระเพาที่เทียนถ้าเก็บกเพาเขียนมาเขาก็บรเเขียนป่อยได้โอ้ยเขียนมาจกกระเป๋าขุยเลยล้วรับจีว่ามันเป็นทักชาตนในเฮ้าใส่ยมันจักเปิดยนยังไงบุ้แก่ปราตกอันนี้ผู้หนึ่งผะว่าล้านหะน้าอออขันสาอาหุ่นั 2, 5, 8, 8, น้าสองขันสิริแป่กี่แปะมัีบด้กระซังขันคัดของเนีได้เขียนจดม้ามาหา่าสั่งไ่ได้จับมันสายยู่งน้กรตามาสั่ไ่ได้อยน้ำกระซังามาสั่ง เราพักที่ยเขาสามคืนนะแต่นี่ถ้าไปคันพวกขาน่อยเพตายไปท่านแล้วพวกขาหน่อยตายแล้วเขาแล้วไปนะฮะไอ้นี่ก็ม้ามหาขาดเขินยั้งม่านเหลเว้นไว้แต่มันเหลือวิสัยเหลือวิสัยกับติเขียนงอมาท่านเนี่ยพวเหลือวิสัยกติสู้า่เพราะว่านน่งหอดมือตายมาท่านเขาบ่าดพวกข่าบ่าด้กคอยยั้งขเจ้าจักเถื่อนชอบสมเอร์นี่หละเจ้าเข้าเจตายขาวเจอนั่งมือหอดบัวติเขียนไปฮ นี่ยี่วันพุดเทเนี่ยอัพเวันนอเนี่ ย, นนนยแต่วสองพันี่อแปดสแปดปุ่นแปดสิเก้าไว่าชี่้อยแปดสเก้า 9. จะตายพายงังฆ์ไม่ออนซ้อนน็ตไซอัอนีนอนนบรบ้าไ้เป็นยังบ่อยู่ในวัดนี่ยว่าคนหางๆไม่เมฆขมาเนี่ยระวังเอีย่างท่อน บ่เอออย่างละครั้นเยตกอันเน้บ่ได้ว่าคุณโยมพย่อเขาบอกว่าเนี่เอาผ้าห่มไปเชียงใหม่มากปีนี่เออในวัดของเรามีบริโภคแล้วเอาไปสักเนี่เอาไปเชียงใหม่มากแล้วแต่วัดของเราไม่ได้เอามาปีนี่เออของวัดของเรามีมากแล้วไม่ต้องหรอกวางสิเราบอกเราใส่ยุ่งก็มีมากอุ้ยนี่มีพอ่อใส่ยุ่ นิสัยปนนักสันบุ้ดบ่าเสือแน่ีจเป็นย่อมเือกันนะไปซื้อของเฮียนพีให้น้องขาเจ้าว่าเอาสตางค์น้าหึงเมื่อไหร่้าารบอกไปซื้ออีกมันนิสัยเป็นนสั่นมาอย่างผู้อื่นก็คือกันนะข้าเจ้าว่าเอาสตางค์น้ำหนึงเมื่อไหร่ธนาคาบอไปอีกอย่าอายขาเจ้าก็เห็นว่าเอาสตางค์น้ำหนึ่งีอําเกามาเลยปฏิวิว่าเป็นนักสั่นนิสัยจะเป็นยังไ ก่ขุดก็เสื่องกันนิสัยเป็นทังษะมาทําอะไรเป็นนีพันเชื่อ <cog> ก <iting collapse> ันเป็นนีพันนับตั้งแต่สามาต่างที่จะต่างกันไปเห็นหนาพันคือจังพันจะขึ้นพ่อเนี่ยยุบว่าได้นิสัยอ่ะตัวก็ไม่คนอยห่ําค่อยรวยอย่างค่อขีดทุกขออกดีๆเนี่ยเสียฉีดดีกว่าเสียสัดเสียชีว่าประวัติเสียฉีดดีกว่าการงานทั้งหลายมาขเจอบแพร่ปีหนึ่ง มีนึ่งมีเงินสามสิบบาทอยู่กับเน่งเข า, า, าเจ้ามามาแพรโรงพยาบาลเลือกเลือดมีเงนสามสิบบาทเนียนะวันมัดวัดชักชิปปีกอ น, นะละ่ล่ะเขาพันหารอยหาว่ามีเงนสามสิบบาทเขาจะมาแพร โรคพยาบาลโรกเลือนมาทั้งการมาทั้งทั้งจากฟ้าจากคุ้นทั้งวัดผ่านักเรียนเงินวัดเท่ากับมีสามสิบบาทเขาหายเมื่อสักระยะจะไปกวนหน้านุ่นมห่าจากอายแค่หาแพร่ซิบบะไรเลยนิดสเยห่าไปง่ายสัตเอาไหายเ พระเจ้าพระสงฆ์ในเวลาสองพันหาลอยคนจำพันสามารถจะบนอื่นออกพันช้าแล้วมาพันมาพักเนี่ในเวลาหั้อ่อดูกับพระองค์หนึ่งสององค์สามองค์ละองค์หนึ่งสององค์ละก็แม่นมาเ่ะจไปทั้งลอยเอ็ดสารคา ม, มาแทนจำพันสาอยู่บนอื่นมาพักนี่ง้มาพักหนึ่งจะเก็ยจเมื่อ สิออกจากนีไปสิยางไปไปนั่นง่อยสัญยางไปนี่มันก็คล้ายหนากันแล้ววาฉันบ่ได้แล้วมาจะใช้มาจะพูดจะปอบสิว่าฉันแล้วกครับท่นทศสีฉัานทศสีสำไมเนี่ยท่นทศสีเงินเฮาอย่ามดวัดยังมีของเงินหกสิบบาทไวาสัอ้ยมัดเศ้าวาฉันอยอะจุดไปขอหยาดคอย้อมห่าวาฉันหาไปโซ่หัวบ้านโคกกลางตะเตาเนี่ยเปวด่ายไว้สักยางไปจะเฮาเนี่ยมันก็ค้ายหนาเฮาแล้วมาจะใช้มาจะพูดจะปอบสิว่าฉัน มีเงินห0สบาทเอาหมดวัดก็หายหายเลยมากคำนี้นละินกขาไปทั้งสั่นเลยแกประตกอันนี้คอนเทนต์แกประโยชน์ส่วนตรวจเ่าเป็นปานีวัดนะน่าเสียสละจักพะไดเขาเจ้าฝากมาให้่วนตวรวจกับปไดิเกี่ยวเอาใส่ประโยชน์ในวัดในว่าเลย พ ล, ละคนรหายพลระมื่นก็มีพลระคนรหายพลระพันธ์ช่องพันธ์ก็มีเนี่ยได้ข้อหายมาเนวไม้เห็ดอันนั้เาา น, น, เ, น, นเป็นแนวหนึง่งแนวเขามาม้เห็ดแลแ้วจะหลวงปูที่เห็ดหายส่วนตัวหลวงปูอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของตัวขัดตโตเขเอาเนี่ยกขมอบแพรวัดแพรว่าไงแพรกวัดแพว่ามัดมัดให้เกี่ยวห่าตายเสียเอาไฟเหมื น, นเผามันบ่ว่าเสียเอาเงินเผาเงินเผาแสดงว่าเขาไม่มพอ หมูเหาจุดฟื้นจุดไฟข้าว่ามันจะุดจุดบูชาเหาหรือเปล่าอ๋เห่าจุดฟื้นจุดไฟด้เอเห่ากันึกบูชาพระพทธเจาผสมพร้อมหรือเ่ามัตายมันก็จบุญเพราะว่าคือดอกไม้พระเจ้ากับบูชาพระเจ้าที่ของพระพุทธเจ้าเขากับบูชาพระพุทธเจ้าอันต่ได้บูชาเหาได้อันมือีันอันมือนี้คือกันของเกิดในวัดในว่าน้อบูชาพระพุทธเจ้าบัดหมว่าจะทำหลานของในใต่โลกทานน้อบูชาพระพุทธเจ้าบัดเ น่ะบุษาพระพุทธภาษัมภสงมัดในใจโลกธาตุใครว่าบูษรากระชากพอเอาของเขาบูษาบ่บาบบุษาบ่บาบแล้วเขากรยังคือเก่าแม้บุราเปลี่ยนก็ตามน่านเวะบุษรากินสายมัน่นของเพลนว่าเป็นคูงมาหยาดกมูเฮาเนี่ยมันของเพลินหมดน้าลายของเพินหมดของพระพุทธภาษัมะสงมดในใจโลกธาตุนับได้ไม่ถินไม่ใช่อันหนึ่งนน้ลายมันของพระพุทธภาษัมะสงมดของพระอรหันต์มัด้วยน่ะพระอรหันต์จะพอมาหยาิเทานี้ขึ้นให้มูเฮา กาเรียกว่าของเพลินอยู่เพล่นกเอากัาเรียกว่าของเพิินอยู่เพราะ่เพประมาทวนเพราะว่าเพรอาก็ตันยุ่วันยเพลินเ่อเม่เป็นคู่หยาดก็เพาะเเรียกว่าของเพลินนี่คืออุจจระคือนำลายห้องห้องทบถิมจบของห้องของมาว่าจะเอาคืนนำลายเพื่ออะไรทบหันมดจอยน้่นลายเพื่อนเพื่อนที่นี่นั่นแ้ลนไปแทะจับของมาว่าจะเอาขึ้นอุจจาระไทายไปหันนั่ั่ ว <Ừ S 1> จรละเพื่อนัพืพอนี่เข้าไปพ่อกันเนี่ยแม่งวันตอบยุ drilling, ่นเข้ามาขึ้นว่าเสีเอาขึ้นมาเสกฏเถิดาเข้าเนี่ยฉันได้คือกันะพระอริยาเจาทั้งร้ายพ้นไปแล้ว you know. พ้นม่ว่าเสียเอาขืนว่าเสมาเป็นกูหยาดเข้าหอก็แม่ห้องเพิ่นยังส่อเก้าในใโลกธาตุของสันอวรรถวายเพิ่นเลยเะกฏรกายว่าใจใจระลึกได้เพื่อได้ก็ดีมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติม่เท่ารมีพรานสมบัติม่เท่าไรทุ่นถวาย ลแต่คนละกายว่าจกายกายเป็นสมบัติอันนั้นละ่ะทุนถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยธรวาโมีระมาราเรื่อกใดาก็ทูคาจอาเลือดุกดบูวราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยธวาโมีระมาณห ว, ว, ว, วองสัจสบายดเป็นเที่ยงอบอุ่นสออบอุ่นกับจิตกับใจนัตตอันใดในโลงนี่เสยเมื่อเมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วมมี คันถึงพระพุทธบาทธรรมพระสงฆ์ทั้งเอื่ยมทั้งอ้อล่ะอ่านาบข่ามยาล่ะมันสบายห้าแลึกถึงคุณพุทธโชอันหนึ่งก็ดโอ้ยอดพญพาดหมดห้าแล้วถึงท่านถึงศีลถึงพ่อวนาเอาเขาไม่ทักพักอันนึงสุมันก็ดตีสายทรวละเอียดหดพญพานรอดบองสัมมันจะไปนนตัวมันปานสายทรวละเอียดเขาตีสายทรวละเอียดถึงพญพาดหมดแล่ะตองมาได้กระเสงพุผลหมาแล้วยึดยึด่าจังผลหมดแล้วเนี่ย ขอแม่พักเช่ น, นก็ตามนโมตัวเดียวก็ตามแต่ยสายแต่ยืท่ละเหล็กทราละทรัพถึงพระญาพานโหลดม อ, องสั่งนึกพุดโธคว่ำเดียวก็ได้หรือบางนางเขียนหนังสือหรือฟังเสพฟังถ้ำก็ตาหรื อ, อยุเอเรียาวดายๆก็ตามชี้ย่อมเป็นเมื่งขืนพระญาพานมัดม อ, องสั่งกันชบายนั่นเป็นค า, น เ, ปนาเป็นทาตพระพุทธธรรมพระสงฆ์มด พระพุทพระธรมพระสงฆ์อปถอนกันยุ่งพระพาณ์หมนพูดแทะทำแทะสงแทเมื่อใดมายาดกันจิขนมอยู่คือมะเขือเด้คุณของเพนแทะคุณของพระพุทพระธรมระสงฆ์นอบถึงคุณพระพาณ์ัมยินดีนคุณพระพาณจักขณะโทษท่าปลวกพลันวางแนี้ยินดีนคุณพระนพาณ์กบยินดีนะถ้ามันบวกลบบกวยบวลงก็ไม่ข้หมายอกันทั้งนันพระวนาพระวนาเพื่อใหู้้แจงแจงตลอดพระพาณ โมมันเสีภาวน่ารอกินขนมเขาโมมันสิยภาวน่าหาเด็กคาพ้าหาวัดคาบือโมมันเสียเอาโลภาวน่าเดินกลุกมภาวนามาคมคนโมมันสียมาบวชโมมันเสิยซื้อศาสนาเพื่อเอาไปอวดคนตะคมคนเข้ารลกพระพุทธศาสนาเพื่อปวดทุกในวตรารสงครามหมดมันสบา้าเพื่อเขาโซวใ น, นผ่านหมดเพื่อพอมาเกิดแก่เก็บต่ายในวตรารสงศามอันนี้ท่านน้อยก็เป็นร้ายกันพูดแล้วท่านรายพันแห้งบักไง รักษาศีลหน่อยรักศีลพ่อรักษาศีลพมาหนาหลายขไม่เกตนาถึงพระิพรามันแห้งอันนี้สงหลายกันท่ำเห็นเพื่อท่กับทําซื้อเห็นเพื่อเน็ตกับเน็ตกับมาหลายวันนอันนี้สงก็ได้อยู่ของมาหลายตอนมีเกตหน้าไม่คิ้วไหมน้าโมตัวเดียวกับไหมัธถงพระิพระริบโปรดพุดโธตัวเดียวกับถึงพระิพาะริบอรรถขึ้นหน้าผมขนเลี้ฟันคณะชิ้นนึงกัถึงเพื่อพระ涅พระอรถ เพื hini, ่อพิ tribal, around, ่มโวลก์มุกบัวบวลด์ no ันปารถนาในมันสมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติอยู่แล้วบาลมีมันยังอ่อนเนอะเหตุจากไหนมันจังเปลี่ยนทั้งขันเพราะเหตุมันเห็นไพ่ในวันตาสงสารยางเต็มทีเลยทำใจระวัตระบาดเป็นของม่คาบด์จองต่อพินธุพันธบด์ทุโท้มเดียวก็ดีทําโม้มเดียวก็ดีทังข้มเดียวก็ดีสวดม่นสวดน้อยก็เป็นหลาย พระวนาลอยก็เป็นของหลายพระวนาหลายมันแห้งหลายไปอีกนึกย้วัดมือกับเป๊แห้งในบุญหลายอีกนึกถึงคุณพระพุทธพัฒนาพระสงฆ์นึกถึงคุณพระพุทธศาสนาม่เห็นมันห่อนเล้หรอหนามันห่อนหามันมันบูนึกถึงไง้ต่หนามันนึกถึงเรไงมันบ่เห็นมันห่อนเือเดี๋ยามันห่อนเนี่ไปหวุนเน่าอ่นกับมันนึกถึงคุณพระพุทธพัฒนาพระสงฆ์นึกถึงทำขออะดรขอหนึ่งเสร็มันก็เย็นอลดมณ์หัวของศอารม นันถึงท่านถึงศิลป์ถึพาพระวนาที่เราตัวที่ทำแล้วหรือกำลังทีททำหรือที่ทำไปทางนาก็ดีมันก็มีเบียเพราะมันเป็นอารมณ์ดีอาหารดีเนีอาหารของกิ๊กของไก่นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันไห้อันนึงในวงของพระพุทธศาสนามันเป็นอาหารอยู่อาหารของกิ๊กของไก่มันเป็นบุญเนี่ยบุญญาพิสังขารในพิสังขารคือบุญเขาเนึกว่าทั้งบาป น้อยเดียวนึงมันก็ว่เป็นที่สบายเลยฮะนางแนวจะเป็นมัดมือมัดเกียร์จะค่อยหงายขึ้อันนมันยังงาบยอดนึกไปทั้งเมียนมวเมยนก็ต้องหมันหงจักนึกไปทั้งกามมาวต๊กความตีไปในทั้งกามก็ต้องหายมันหงจักพยางามมันหงจักนึกไปทังพญานาบาทวิต๊กความตีไปทั้งพญานาบาทก็ต้องหมันหงจักนึกไปทังวิหิงสาววิต๊กความตีไปทัาเบียดบียนกายมันหงจักเพราะันมันก็แก่เระทันพยางามฮะมันหงจัก วัสดุจังของจักมันแก่เพื่อเฮายางไปเนี่ยถึงท่าพุทธท่าขอาของจักเนี่ยห่วยปูหยบบ่หยบพุนทางเนนี้อย่าไว้ําในน้ำียบหัวเดีววัสดุน้าจะปักหัวเดียวต่จ้องขงจักอารมณ์มันด้ดีบัดว่าเจนึกไปในท่าพระพุทธศาสนาสิพี่จะหน้าอามณ์หัใจเขาออกก็ดีสิพี่จะหน้าพุทธโท้อันเดียวก็ดีสิพี่จะหน้าธัมโมอันเดียวก็ดีสิพิ่จะหน้าทั้งโคอันเดียวก็ดีสิพี่จะหน้าท่านที่ตัวในลึกเด็ดทามาแล้ว หือกำลังจะทําอยู่หรือจะทำไปขนาดกว่านี้เรียกว่าจาก้านุสติเลยจะได้ลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่สั่นใม้คุณก่อดีหรือคุณพ่อันอื่นก่ดีมันไปนร่วมคุณอย่างกับคุณพระพระธรรมประสงฆ์ร่วมไปคุณพระในพรานเองอมันก็เป็นอนุสติสิบเกี่ยวกันบัดว่างังอนุสติสิบคืออารมณ์คน ล, ลึกฤษฎประการพุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระเจ้าที่เมในพระองค์และทรงเกือก้กอกูลแก่ผู้อื่น ธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมฌงนานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์มันเป็นมันเป็นวันเดียวกันเน่ยตีอันนึงมันก็นนนถือกันมดเนี่ยโย่งเถือกันมดเน่ยจานานุสติระลึกถึงฐานให้ตนยมรรจักแล้วเทวต า, านุสติระลึกถึงคุณที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาก็ดีหรือเทวดาโดยกําเนิดก็ดีเทวดาโดยกําเนิดเทวดาโด ย, ยสว่างสวรรค์เทบส ม, มุดทีท่เทพือคุณพ่อคุณแม่ คุณผู้วาอาจารย์คุณท่านผู้มีคุณคุณพระมหากระสาราชธรรมนุษคุณเจ้าคุณหน้าคุณผู้วาอาจารย์คุณท่านผู้มีคุณเพชรแกับเผ่าวิสุทธิเทพคุณของพระสวสดา์บันฑคุณของสักทาขามิคุณของพระอนาคามีคุณของพระอรหันต์เป็นมหาวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพเนี่จัดเอาแต่คุณพระสวสดาบันไปเพื่อระเพลนละกิเลสเดชเพลนเอกเทศเด้ส่วนพระอรหันต์เนี่เป็นวิสุทธิเทพอย่างเต็มหุ้มเลยทำของท่าน กยุ่นน้กันฮคุณพระธรรมกยุ่นน้ำกันคุณพระอริยะสงฆ์กัท่านก็เป็นบริยะสงฆ์คือกันเนี่พระสวัดวันสักขะทาข้ามีอนาข้ามี่ก็เป็นพระอริยะสงฆ์เมื่อนึกถึงธรรมท่านก็เรียกว่าทึกถึงท่านนึกถึงพุทธถึงธรรมถึงสงฆ์นนอันเดียวกันเพราะมันเกี่ยวกันอยู่เนีมันพานกันคือเสซนเอ็นเทาอยู่ในทองมันพานมันสันกันมันซับกันอยู่ตีวันึงมันก็ถือวันนึ่งจับวนึงมันก็ถือวนหนึ่งคือเหนื่อยอยู่ในตนในตัวเขานี่ย ค ì, ือเฮาเ้าอยู่เดียวนี้ยมันก็ถือจิตใจเฮาจะทวนว่าจิตใจมันถือมันก็ถือเพราะจิตใจเป็นผู้เ้าเฝ้าเนี่ยจิตใจผู้เ้าฟังเนี่ยเฮาสิลู่หรือบูก็ตามมันถือกันบัดรจงสขาแมเป็นบุญมาจจตนนก็เป็นบุญบัตในคณะนั่นในขณะนั่นขาแมนเป็นบาปมัจจัตนนก็เป็นบาปบัตในขณะนั่นคณะนั้นเราอกเป็นคณะคณะได้เดียรเนี่ยเฮาเฮ็ดบุญอยู่เสมอจิตใจเฮาโอย่คเก่าเนีสูงขึ้นยสูงเฮ็ดบาปเช่นอะไรเล็กน่อย มันก็นักขึ้นคือกันะสะสมขึ้นร้ายคือกันนะฝนตกว่าเศร้าจากเทื่อมันก็หงุดคือกันเขาเฮดเยอะเสมอมันก็ได้เยอะเสมอว่าใช่ว่าขึ้นสูงว่าใช่ว่าลงต่ำเยอะเสมอมัผู้เฮดบาปเยอะเสมอมันก็ได้บาปเยอะเสมอคือกันเข้าคือกันเพลินคือกันเข้าเฉยหาความสุขก็หายเยอะกับจิตกับใจเข้าในแล้วไปเสียเอาวาอย่เขา เพราะพระุทธเจ้าก็เป็นถ้าเพื่บอกคือเอาหายก็ได้เฮาประเฮ็ดก็ได้หนียวนอนก็นอนเองเหนียวน่าก็กินเองเฮ็แต่เฮามัดเฮ็ดอะไรขนมจัก็เฮ็ดดีเฮ็ดชัวเฮ็ดให้เฮ้าแล้วการเฮ็ดมังคสิเลือกเลยหัอนี่ยบดีมังคสิประเฮ็ดมา้มังคติพญายามเฮ็ดดีฮะเนี่ยทุกสิ้ทุกอย่างเฮ็ดชัวก็เป็นเฮ็ดไหเฮ้าเฮ็ดดีก็เฮ็ดให้เฮ้ามัดมังคตไรเขามาหาเฮ้ามัดนี่่ได้ไรประใส่พืน พอแม่เขาปกครองเขามาไม่คอยไม่แห้งไม่หายแดไม่ดีแดดภาษาพระาราหุลพันวาไม่พูมาหายหาในเรื่องธรรมบูธุกาัศนพระราหุลมาหายมาเสียใจนักเถื่อถือว่าเพิ่์นบอกคุ้มสัพ์ไบหายกุศลพระราหุลเป็นผู้รักใครในการศึกษาศาสนาพูดเข้ามันมันศาสนาพระปัจเจก มันต้องอาศัยทักเตือนกันพอแม่ลูกเต่าคือกันพอแม่ยนต์ขึ้นในซ่านลูกเกิดมาเขาก็สร้างกระซอนเขาก็ฝึกปื่อพายเข้าไปแม่ช่างดีเออห่อผ้าเข้าไปในทช่างสัวเข้าเข้าไปกันห่อผ้าเขาเรียนโบกเรียนเบียร์เียมาดเรีนเบื่ออยูลกเขาเข้าไปนั่งคือกันพอแม่หูกผ้าเห็นถึงเนาะห่ผ้าเขาไปวัดไปว่าผ้าเขาปฏิบัติศีลธรรมเขาก็เห็นนําเข้าคือกัน ม่อแม่ก so ็เป็นหัวจักเขาเลยหัวจักเพื่อนหนึ่งคนหนึก็เป็นหัวจักคือกันวัดคือวัดหนึ่งก็เป็นหัวจักคือกันหัวจักไปทางดีหัวจักไปทางชัวคนดี่ีควมชัวอยู่กับฟองไฟห้องมั่นไฟมีอิสระสิเดียดวัดมัเป็นอิสระอยู่กับผู้อื่นควมท่านดีกับว่ามีอิสระอยู่กับผู้อื่นมีอยู่กับอัศระมีอิสระอยู่แต่ท่านแต่ละคนควมชัวก็บว่ามีอิสระอยู่กับผู้อื่นก็มีอิสระอยู่กับพ่อ คนเฮาเกิดมามีอิสระเมื่คือกรรมและผลของกรรมเปนอิสระอยู่แหละเหตุและสันสัตว์ทั้งหลายจงเป็นไปตามกรรมของเจ้าขอกรรมวนี้น่าวัติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นไปตามกรรมของตนมิมโนกรรมเป็นต้นท้าเหตุของกรรมทั้งหลายที่ทำดนทั้งชั่วก็ให้ผลกรรมส่วนคนฆ่าของเหตุที่ทำขึ้นในทางดีและทางชั่วให้ผลในภพนี้บ้างในภพหน้าบ้างในภพสืบบ้างในเป็นลำหนัดบ้างตามกิจธุระที่ทำบ้าง เราก็ให้ผลตามเหตุอาสัญนักรรมกรรมเมื่อชวนเกียนถ้าเมื่อชวนเจียนจะตายเป็นของสามัญเวลาจะตายถ้านึกถึงบาปมันก็ไปหาบาปถ้านึกถึงบุญมันก็ไปหาบุญเราก็อาสัญนักรรมกับเมื่อชวนเจียนจะตายพระหุรกรรมกรรมสิ้นเคยทําบาปมาจนสิน้นเคยทําบุญมาจนสิน้นก็เรียกว่าพระหุรกรรมกรรมสิน้นแบ่งเป็นสองทางให้ผลตามส่วนคว้นค่าของเหตุที่เขาทำหน่อยนะมาก เท่าทีรู้ตัวพราู้ตัวเพเป็นปัญหาเนผลของกรรมนั่สนองเฮ้าอยู่เห็นสัน้นูเฮ้าเนี่ยก็ขาสองแขนสองหัวหนึ่งละ่ะบางสีสันวันณะบางหนา้าบงตากางไม่ดังไม่แก่ไม่ปากไม่แมูกเข้กัน แ, แต่ไม่ไดสายตาการไร้านเนี่ยออกระเพาะผลของกรรมที่สางมากเท่ า, า, ท ก, ก, า ก, ก้อสากอกูสมาีลายแทะแต่ก็เฮ้าสางไว้กูสามารถ่หางปรมีแท้ มันเป็นโคดโง้อถวๆก็ห้องฉาบไว้ยังสั่นนี้มันใดญมากห้ก็แก่ไปเจรศาสตร์เจรศาสตร์แก้ไปแก้ไปทุสาสต์ทุศาสตร์ทุกภพแก้ไปแก้ไปเขาซูขันพลาดนะมันมันสีอยู่ตามบุญตามกรรมรอยนำมักขวกเม็พิ่งตังแต่รอยนำมักขวกง่วปจมตายด้ตามบุญตามกรรมบุญตามกรรมร้อยนำมักขวกผาขีโม่เจ้าไปนุ่งนะบอกหิวเขานอนด ปวดขี่ก็นอนขี่นอนเนียวอยู่ตามุนตามกำมืมอมันเที่ยงเกลระโตเที่ยงเกียวระโตพระพุทธเจ้าใส่สาศาสตร์เป็นคนขีข่ขานปวดขี่ก็นอนขี่สอดเนียวก็นอนเนี้ยวอยู่บรุกมันเป็นมัดพระองค์เจ้าเป็นทุ่นมัด ม, มืห้องเป็นโรคทุนปอดเป็นโรกเป็นสาวกสาวยาตาไม่ได้เสียว่น เพื่ น, นอนดินสินาพระองค์เจ้า ส, าสัตร์กัตริย์เกิดมาพบได้สาตว์ได้คาว่าเบื้องฐานศีลพระวน า, าเห็ดเหนือเป็นวัดด้านอันนี้ก็เห็ดเหนือเป็นวัดเป็นสัตว์ที่ชานกเัเท็ดดีเนื้อมูเป็นนกเป็นนูก็ได้ปนานนั้นพระเจ้าได้เป็ี่ยนหระนาเป็นพระพุทธเจ้าเข้าวัดปนานนันเพราะเพื่อวา่าจะผลทุกข์ในวตรทราท้องทาร์เอาตัวรอดเท่านั้นเป็นสาวผูส้สาวกสาวประกาศมโา ไปยูน้ำรัตทีใด น, น้ำศาสตราใดกบอุนทอศาสนาพุทธเห็นแต่หูก็เป็นตายจากวายเห็นแต่หูกระพุทธรลกก็เป็นตายจากวายเป็นตายอยากเข้ารบนับถือแล้วคือวาอย่างไรอข้ามสอนของเพิลนกับว่มีบนแทงยักบกก์บอลนกกาเข้าสิเฮ็ดบ่ใดเท่นั้น